ฝนเจ้ากรรมก็กระหน่ำลงมาเหมือนฟ้าร่วงจนปากเนี่ยเริ่มสั่นฟันเริ่มขบกันกุกกะกุกกะแสงไฟวอมแวมออกมาจากแนวป่าทําให้2คนที่เดินมาอยู่เนี่ยใจชื้นนะคะก็คิดว่าเออน่าจะเป็นคนเฝ้าสืสารนั่นแหละดีเลยเดี๋ยวเราเอาปลากับเป็ดไปปักคืนเจ้าของแล้วก็ขอบคุณสักหน่อยก่อนค่อยแวะไปหลบฝนมวนบุหรี่สูบให้ชุ่มปอดนิดนึงค่อยกลับตอนฝนซาหรือว่าขาดเม็ด